หัวข้อต่อไปวิปัสนาภาวนาวิปัสนาตามตัวแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงวิปลว่าแจ้งวิปัสนาคือเห็นตามความเป็นจริงยถาภูตยานเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏมันอาจจะหลอกลวงได้มากแต่ว่าต้องเห็นตามที่เป็นจริงจึงเป็นวิปัสนาตัวอย่างเช่น เราเห็นคนสุนัขแมวมันเป็นปรากฏการณ์แต่จริงๆแล้วมันประกอบด้วยธาตุห้าธาตุหประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณ น, นี่ของจริงมันอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เห็นเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมันไม่ใช่ตัวจริงเราเห็นรถเห็นเรือมันเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นมันไม่ใช่ของแท้ อย่างที่พระเจ้ามิลินไปสนทนากับพระนาคษีณพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรท่านบอกว่าเพื่อนพรหมจารีเรียกอาตมาว่าพระนาคษีณอะไรคือน้าคษีณพระเจ้ามิลินถามผมหรือขนหรือก็ไล่เรื่อยไปไม่ใช่พระนาคเสณก็ถามย้อนว่ามหาบาพิษเสด็จมาด้วยอะไรก็มาด้วยรถพระคุณเจ้า อะไรคือรถล้อมันหรืองอนมันหรือถามไล่ไปทีไรอย่างพระเจ้ามิลินก็เรียนว่าไม่ใช่สักอย่างแต่ว่ามันรวมกันทั้งหมดแล้วเราสมมุติเรียกว่ารถคือพอเราเจาะสมมุติออกไปเราก็จะเห็นปรมัต์เห็นของแท้ของจริงสมมุติมันหุ้มมันห่อเอาไว้อย่างว่าพันเอตรถามดูว่าอะไรคือพันเอตร์เสื้อหรือดาวหรือ หรือคนเป็นพันเอกถามไปเรื่อยๆก็จะไม่มีก็จะรู้ว่ามันเป็นสมมติขึ้นแต่ว่าเป็นที่ยอมรับสมมติมันแปลว่ารู้กันทั่วรู้กันพร้อมยอมรับกันวิปัสสนาคือรู้แจ้งรู้จริงรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนเราแกะเปลือกกล้วยแกะแกะไปกล้วยมันอยู่ตรงไหน แก่กาทีละกามันก็หมดไม่มีต้นกล้วยมีแต่ความว่างเพราะเหตุที่ว่าคนเราติดสมมุติมานานและโลกก็สอนให้ติดสมมุติให้ทะเยอทะยานสแสวงหาสิ่งที่เป็นสมมุติก็เลยติดสมมุติวิปัสนาจิตก็เลยไม่เกิดยถาภูตยานทัศนะมันไม่เกิดคนที่หมั่นจเจริญวิปัสนา ทำให้ปัญญารุ่งเรืองเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพุทธศาสนาแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนที่เป็นสัจธรรมสอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนที่เป็นจริยธรรมศีลธรรมอารมณ์ขติอันนี้สอนให้เรารู้ว่าควรจะทําอย่างไรอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของวรรนัดี ก็ให้เรารู้ว่าควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเพื่อจะเอารถมันได้อย่างไรเหมือนกับว่าเขาส่งของขวัญมาให้แล้วห่อสวยเชียวข้างในเป็นของดีมีค่ามากกว่ากล่องกระดาษหรือริบบิ้นทีนี้มันเป็นของธรรมดาที่เรารู้กันว่าเราต้องแกะกระดาษออกแกะกล่องออกถึงจะได้ของขวัญพวกนิทานก็เหมือนประเภทวรรณคดีที่สอนให้เรารู้ว่า เราควรได้รับรถสิ่งนั้นได้อย่างไรลงท้ายที่บอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือรถของนิทานจะเป็นชา ด, ดกนิทานต่างๆหรือเรื่องที่เล่ากันพิลึกกึกเกือที่เราเอามาเถียงกันอยู่จริงหรือไม่จริงนิทานในชา ด, ดกเช่นนกพูดได้บางคนก็บอกนั้นจริงทั้งหมดบางผู้บอกไม่จริง ที่นี้ถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องห่อของขวัญมันเป็นห่อของขวัญต้องแกะออกเอาเฉพาะของขวัญแล้วก็จะได้สิ่งที่มีค่ามีราคากว่าไปมัวเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าประสูนย์มาเดินได้หรือเดินไม่ได้หรือเสด็จไปสอนพระมารดาจริงหรือเปล่ามีบันไดเงินบันไดเพชรบันไดแก้วพาดลงมาจากอากาศ สเสด็จลงมาพร้อมด้วยเทวดาจริงหรือเปล่าบางคนก็เถียงว่าถ้าไม่จริงทำไมมีอยู่ในพระไตรปิฎกคำตอบก็คือเป็นส่วนที่เป็นวรรณคดีซึ่งอ่านแล้วสนุกเพลิดเพลินนกพูดได้สุนัขพูดได้สุนัขวิ่งเข้าไปสอนพระราชาในพระราชวังแต่สุนัขพูดนั้นดีทั้งนั้นเลยนั่นคือตัวแท้ของของขวัญ เราก็แกะกล่องออกแกะได้ปิ้นออกจริงๆแล้วพวกนั้นมันก็มีประโยชน์ตามฐานะของมันแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่เอาเถอะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นฉะนั้นเราต้องศึกษาพุทธศาสนาในส่วนนั้นอย่างเป็นวรรณคดีแล้วรสของวรรณคดีนี้ก็คือในเนื้อเรื่องก็สอนเราให้เป็นคนดีเสียสละแล้วก็สรุปว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าส่วนของจริยธรรมวินัยอุดมคติสอนให้เรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเช่นทาไมพระต้องโกนศีรษะความจริงผมมีประโยชน์ในการรักษาศีรษะธรรมชาติให้มาทาไมพระโกนเสียนี่คืออุดมคติของผู้เดินบนเส้นทางสายนี้ต้องทำอย่างนี้ ถ้าคุณไม่มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องโกนทำไมพระจึงไม่ฉันข้าวเย็นซึ่งจำเป็นแก่ร่างกายแต่ว่าเป็นอุดมคติศีลของบุคคลผู้นั้นควรจะเป็นอย่างนั้นวิปัสสนาเป็นส่วนของสัจธรรมคือสอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรวิปัสสนานี้คือส่วนของสัจธรรมเจาะลึกลงไปให้รู้เห็นถึงความเป็นจริงยกตัวอย่าง เราเห็นคลื่นคลื่นนั้นมันเป็นปรากฏการธรรมชาติเบื้องหลังของคลื่นคือน้ำกับลมมีแต่น้ำไม่มีลมก็ไม่เป็นคลื่นมีแต่ลมไม่มีน้ำก็ไม่เป็นคลื่นแต่พอน้ำมาสัมพันธ์กับลมเข้าก็มาปรากฏเป็นคลื่นขึ้นเราลองตักคลื่นมาให้ใครดูก็ไม่ได้พอไปถึงริมทะเลเข้าคุณลองตักคลื่นขึ้นมาให้ดูสักถงังสิ ตากขึ้นมาก็เป็นน้ำอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับลมทำให้เกิดคลื่นขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้อะไรที่มันอยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์อันนั้นคือยะถาภูตยานัศนะรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์มันเป็นตัวกดว่าถ้าอันนี้สัมพันธ์กับอันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นอิทปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอันนี้ก็วิปัสสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมองด้วยสายตาของวิปัสสนาคือต้องทะลุทะลวงไปให้เห็นเบื้องหลังของปรากฏการณ์แล้วก็จะได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นวิปัสสนาต้องพยายาม penetrating insight มองทะลุเข้าไปข้างหลังของปรากฏการณ์วิปัสสนาก็คือความเห็นแจ้งสิ่งต่างๆทั้งนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดที่มันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงการหลงเข้าใจผิดนี้ท่านเรียกว่าวิปลาสสีความสำคัญผิดท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสความคิดผิดเรียกจิตตวิปลาส ความเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาดทั้งหมดนี้เป็นคำวยพน์ของวิปลาดวิปลาดมีในสี่เรื่องคือหนึ่งในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสองในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปลาดนี้ทำให้เข้าไม่ถึงวิปัสสนา มันต้องถอนพวกนี้ออกจึงจะเข้าถึงวิปัสสนาได้การทําวิปัสสนาเบื้องต้นถ้าเห็นว่าอนัตตาเป็นอัตตามันก็ผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วเห็นขันห้าเป็นอัตตาก็หมดแล้วหรือเห็นว่าจิตเที่ยงก็มีบางท่านเห็นว่าจิตเที่ยงท่านมองจิตตังอมตะตังจิตตะอมตะวาดังเห็นว่าจิตนี้เป็นอมตะ ที่ดับไปนั้นไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกแต่ว่าตัวจิตยังคงยืนรงอยู่จิตเที่ยงอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นว่าร่างกายเที่ยงยังดีกว่าเห็นว่าจิตเที่ยงเพราะความเจริญขึ้นความตั้งอยู่ความเสื่อมไปของร่างกายยังมองเห็นได้ง่ายกว่าแต่เรื่องจิตนี่มันมองเห็นยาก และความเร็วของจิตมันเป็นไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนแล้วแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็เปลี่ยนแล้วมันไม่เที่ยงเห็นว่ากายที่ ย, งยังยยงแก้กง่ายชี้ให้ดูได้ง่ายกว่าเห็นไหมแก่แล้วฟันหักแล้วแต่จิตมันมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอันนี้ปุถุชนก็มองอย่างนั้นสิ่งใดที่พระอริยะมองเห็นว่าเป็นสุขปุถุชนก็เห็นว่าเป็นทุกข์ อะไรที่พระอริยะเห็นว่าเป็นทุกข์ปุถุชนก็เห็นว่าเป็นสุขยกตัวอย่างหยับหยาบเช่นอบายามุขปุถุชนก็สนุกสนานกับอบายามุขแต่การทําจิตให้สงบการแสวงหาความรู้การแสวงหาปัญญาพระอริยะเห็นว่าเป็นสุขแต่ปุถุชนเห็นว่าเป็นทุกข์ทําได้ยากในสิ่งที่ไม่งามว่างามอันนี้ก็ยิ่งส่วนทางกันใหญ่ เราปุถุชนกับพระอริยะก็เห็นไม่เหมือนกันอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดรวมลงก็เป็นสองคือรูปธรรมกับนามธรรมสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่อยู่ในวิสัยของใจก็เป็นนามธรรม สมมติเอาขันห้ามาตั้งรูปก็เป็นรูปหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามธรรมสจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดเลยเพราะมันมีอะไรบ้างที่พ้นไปจากวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีมันก็อยู่กับอายตนะหกนี่เอง เพียงแต่ว่าให้เรามองดูสิ่งนั้นๆที่มันปรากฏแก่เราด้วยปัญญาให้เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงคือให้เห็นตัวจริงของมันไม่ใช่ตามที่ปรากฏซึ่งเป็นมายาและหลอกให้เราหลงผิดให้เข้าใจง่ายๆอย่างเราเดินทางไปไหนก็จะมีป้ายบอกเราว่าทางขวาไปนั่นทางซ้ายไปนู่น แต่ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกมันก็เหมือนกับไม่มีป้ายบอกเราเลยสิ่งในโลกนี้มันคอยบอกเราอยู่ทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรแต่ปัญญาเราไม่มีเราก็เลยไม่รู้เหมือนมีป้ายแต่อ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นท่านให้มองว่าสิ่งทุกสิ่งในโลกมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาได้หมดเลยให้รู้เห็นตามความเป็นจริงต่างๆได้หมดเลย เว้นแต่ว่าเรามองเป็นหรือไม่เป็นหรือว่าเราอ่านหนังสือออกแต่เกิดตาบอดขึ้นมามันก็มองไม่เห็นอีกเพราะตาบอดท่านจึงให้อบรมปัญญาพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจักว่าปัญญาเกิดแล้วจักษุเกิดแล้วญาณเกิดแล้วแสงสว่างเกิดแล้วอาโลโกอุดาปาดิแล้วก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงรู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุข อะไรดีอะไรไม่ดีในสิ่งที่ดีด้วยกันอะไรดีกว่าอุปการะธรรมของวิปัสสนาอุปการะธรรมของวิปัสสนาคือธรรมที่เป็นอุปการะแก่วิปัสสนามีหลายหมวดหลายประการในที่นี้จะยกมาเพียงบางเรื่องบางประการหมวดที่หนึ่งอปันนกขาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สามประการเราได้ยินกันโดยทั่วกันแต่ปฏิบัติจริงนี่ทำยากหนึ่งอินซียสังวรสองโพชเนมัตตัญุตาสชาคาริยานุโยก 1. อินซียสังวรการสำรวมอินซีหกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้เกิดยินดียินร้ายหรือดีใจเสียใจมากเกินไปการที่ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องโผดทับพระใจได้รู้อารมณ์ต่างๆแต่ให้มีสติปัญญาว่องไวทันกับกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นรูปเป็นต้น อันนี้ถือว่าเป็นการพยายามที่จะลดละหรือทําไม่ให้อภิชาคือความอยากได้หรือความติดใจและโทมนัสคือความไม่พอใจและความเสียใจรั่วไหลเข้าครอบงําจิตใจได้เหมือนคนระวังเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายหลักสําคัญของอินสียสังวรไม่ใช่ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ฟังไม่ให้ลิ้มรส ไม่ให้ถูกต้องผหดับพะไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำตามปกติแต่ว่าโดยประการที่ไม่ให้กิเลสมันรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสเข้าไปครอบงำจิตใจได้อภิชาความอยากได้ความยินดีความติดใจในอารมณ์นั้นพอเห็นอะไรเราจะเกิดสามอารมณ์คือหนึ่งอยากได้ สโทมนัสความเสียใจความไม่อยากได้ความไม่พอใจสามเฉยๆเราพยายามระวังไม่ให้เสี่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้สักแต่ว่าคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วกุศ ล, ลธรรมเกิดขึ้นก็ดีให้เห็นได้ให้ยินดีได้คือถ้ากุศลเกิดขึ้นก็ทำได้เช่น การดูหนังดูได้หรือไม่ได้ก็ไปตัดสินเอาตรงที่ว่าดูแล้วอะไรเกิดขึ้นฟังเพลงได้หรือไม่ได้ควรฟังหรือไม่ควรฟังปัญหาอยู่ที่ว่าฟังแล้วอะไรเกิดขึ้นในตำราพระไตรปิฎกสักกะปัญหาสูตรพระพุทธเจ้าได้เคยสนทนากับเท้าสักกะเท้าสักกะทูลถามว่า ทำอย่างไรเมื่อได้เห็นรูได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบอย่างนี้ว่าเป็นการที่ไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าได้เห็นแล้วได้ยินแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นก็ให้เห็นได้ฉะนั้นดูหนังฟังเพลงแล้วถ้าเกิดอภิชาโทมนัตเกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเกิดขึ้น ดิสยาบ้างปลอยตามในเรื่องนั้นไปเข้าไปอยู่ในดวงของกิเลสด้วยอย่างนี้ก็ไม่ควรดูอย่างดูละครติดเลยไปไหนไม่ได้อย่างนี้อภิชาครอบงำแล้วไปปลอยดีใจเสียใจกับเขาด้วยแต่ถ้าดูแล้วได้ธรรมสังเวทไปดูกิเลสว่าโลภะเป็นอย่างนี้หนอโทสะเป็นอย่างนี้หนอโมหะเป็นอย่างนี้หนอ คนที่ถูกโลภะครอบงำแล้วเป็นอย่างนี้หนอดูแล้วได้โปลงได้คิดดูตัวกิเลสไปด้วยหนังส่วนใหญ่ก็แสดงผ้ากิเลสเราก็ดูกิเลสที่จริงก็ควรแสดงผ้าคุณธรรมด้วยก็จะได้ทำธรรมานุสติด้วยว่าที่ถูกนั้นควรจะเป็นอย่างไรก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างในการดูหนังดูละครท่านโมคคลานนะและท่านสาเรบุตร ก็ได้ความเฉลียวใจจากการดูละครเหมือนกันและท่านก็เกิดสังเวชสลดใจขึ้นมาที่นี้ท่านเป็นผู้มีปัญญามากมีจักษุที่มองทะลุทะลวงอะไรมากกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าอย่างพวกเราก็ติดละครไปเลยเป็นธรรมารมไปในข้อปาริสุทธิศินสี่ก็มีอินทรียสังวรเหมือนกันมีหลายข้อในหมวดธรรม ก็มีอินทรียสังวรเหมือนกันในสวัสดีรรมสีก็มีสแสดงว่าอินทรียสังวรเป็นเรื่องใหญ่ในทางการปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่งบางทีพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเหมือนการประคองบาตรหรือประคองถูวน้ำมันอย่างในชาดกหนึ่งเล่าถึงเรื่องชื่อเตลปัตตะชาดกในขณะที่นางงามที่สุดประจาแคว้นที่เรียกว่าชนบทกัลยาณี กำลังร่ายรำอย่างสง่างามชดช้อยคนทั้งหลายกำลังโห่ร้องโบกผ้าไปมาด้วยความรื่นเริงเต็มที่พระราชาก็รับสั่งให้บุรุษผู้หนึ่งประคองหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันงาเต็มเปี่ยมมีเพชชฆ่าถือดาบตามหลังรับสั่งว่าถ้าหม้อน้ำมันหกเพียงเล็กน้อยเขาจะถูกฟันคอทันที แม้ว่าจะเดินไปที่คนทั้งหลายสนุกสนานเพลิดเพลินชมนางงามบุรุษผู้นั้นเขายังจะมีใจร่าเริงเหมือนคนทั้งหลายหรือเปล่าเขาก็คงไม่มีแก่จิตแก่ใจจะดูนางงามต้องมีสติประคองน้ำมันไม่ให้หกเพื่อจะรักษาชีวิตไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีสติในกาย กายคตาสติประคองสติประคองจิตเอาไว้ไม่ให้หลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือกามกุลห้าคือให้ตั้งจิตตั้งสติไว้ทำนองเดียวกับบุรุษผู้ประคองหม้อน้ำมันและตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตว่าพระโพธิสัตว์เป็นพระราชโอรสองค์เล็กที่สุดในจำนวนร้อยพระองค์และมีพระราชดำริว่า คงไม่มีโอกาสครองราชสมบัติในนครนี้แต่ก็มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าหลายองค์ที่มาอยู่ที่นั่นวันหนึ่งพระราชกุมารก็ได้ถามพระปัจเจกับพุทธเจ้าถึงข้อสงสัยว่ามีโอกาสได้ครองราชสมบัติไหมพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีอนาคตตังสยานรู้อนาคตก็บอกว่าไม่ได้สืบราชสมบัติในนครนี้แน่นอน แต่ถ้าเสด็จไปนครตากาศิลาก็จะได้ครองสมบัติในนครนั้นแต่ในระหว่างทางก็จะมีอันตรายเกี่ยวกับอมนุษย์คือยักษินีถ้าสามารถผ่านพ้นอันตรายนั้นได้ก็จะได้ครองเมืองตกกาศิลาขอให้มีสติเข้มแข็งอย่าลหลงไหลต่อความยั่วยวุนของยักษินีพระโพธิสัตว์ก็รับคำของพระปัจเจกผพุเทิเจ้าแล้วก็เสด็จออกเดินทางไปนครตกศิลา พร้อมด้วยบริวารห้าคนจริงเหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกเอาไว้พวกยักษินีก็เยอะระหว่างทางในป่าก็แปลงตัวมาเป็นสาวน้อยสวยงามมานั่งอ่อยอยู่สวยมากบริวารของพระโพธิสัตว์ที่หนักในรูปก็ทำท่าจะไปไม่ไหวบอกว่าท่านครับผมไปไม่ไหวแล้วพระโพธิสัตว์ก็บอกว่านี่เป็นยักษินีนะ แต่ก็ไม่ฟังเลยถูกยักษ์กินไปคนหนึ่งยักษิซีนีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปดีดสีตีเป่าคอยอยู่ข้างหน้าคนที่พอใจในเสียงก็เป็นเหยื่อไปอีกคนหนึ่งก็ทาอย่างนี้ไปตลอดทางบริวารของพระโพธิสัตว์ห้าคนก็หมดเลยเหลือพระโพธิสัตว์คนเดียวก็ใจแข็งไม่ยอมแวะไม่ยอมตกอยู่ในอานาจของยักษิซีนีก็ไปถึงเมืองตกกศิลา ยักษินีก็แปลงตัวเป็นคนสวยงามเดินตามไปคนทั้งหลายก็ถามว่าผู้ชายที่ท่านเดินตามเป็นอะไรกับท่านยักษินีก็บอกว่าเป็นสามีพระโพธิสัตว์ได้ยิงก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเขาเป็นยักษินีเขาไม่ได้เป็นพันรยาของข้าพเจ้ายักษินีก็บอกว่าผู้ชายก็มักจะเป็นอย่างนี้ถ้าเขาโกรธพันรยาเขาก็จะว่าพันรยาเป็นยักษินี คนทั้งหลายก็เห็นใจผู้หญิงว่าอุตสาห์เดินตามสามีมาก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าไม่ได้รอเขาเป็นยักษ์นินนีเห็นใจด้วยไม่ได้จนไปพักที่ศาลาหน้าเมืองตกศิลาวันนั้นพระราชาของเมืองตกศิลาเสด็จออกเรียบพระนครมาเห็นข้าวก็ถาม พระราชาติดใจในรูปของยักษินีมากไดยบอกว่าถ้าสามีเขาทิ้งแล้วของไม่มีเจ้าของก็ตกเป็นของหลวงให้คนเอาไปอยู่ด้วยคืนนั้นก็ถูกยักษินีกินคนทั้งหลายก็ทราบเรื่องราวโดยตลอดก็เห็นว่าบุรุษผู้นี้ที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นยักษินีเป็นเรื่องจริงและเป็นคนใจแข็งมากเป็นคนดีเลยชวนกันไปเชิญให้เป็นพระราชา แล้วก็ได้ครองราชสมบัติแล้วก็เปล่งวาจาที่เป็นพาสิทิภัยร้อว่ากุสลูประเดเสติติยาดันหายะอาวัติตัดตาพยพีรุตายจะจักนรักขสีนางวัสมาขมิมหาเสสะโสธิพาโวมหาตาพระเยนเม เราไม่ตกอยู่ในอำนาจของยักษิศรีได้ถึงความสวัสดีถึงปานนี้ก็เพราะเหตุว่าเราได้เป็นผู้มีความเพียรดำรงอยู่ในคำสอนของท่านผู้ฉลาดแล้วก็มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะเหตุที่เรากลัวภยัยจึงรอดมาได้อย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการสำรวมอินทรีย์คือบริวารห้าคนก็เป็นตัวแทนของ ตาหูจมูกลิ้นกายตกอยู่ภายใต้อำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพระนี่เป็นนิทานท่านสอนโดยวิธีเล่าเรื่องแต่ในชีวิตจริงของพวกเราก็มีอย่างนี้มีพาสิทธิ์ดีในนิทานเห็นว่าเพราะเหตุที่ว่าการฝึกจิตที่ข่มได้ยากมักพลัดตกไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนายังประโยชน์ให้สำเร็จ จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นเหตุนำความสุขมาให้จิตต่างดันตางสุขขาวหังท่านผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากละเอียดอ่อนมักจะตกไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาจิตที่คุ้มครองไว้ได้แล้วนำความสุขมาให้ชนเหล่าใดจากสำรวมจิตซึ่งไปได้ไกลเที่ยวไปโดดเดี่ยวดวงเดียวไม่มีรูปร่าง มีถ้ำเป็นที่อาศัยคือร่างกายไว้ได้ชนเหล่านั้นก็จะพ้นบ่วงแห่งมารผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่ทราบพระสัตยธรรมมีความเลื่อมใสรวนเรปัญญาไม่บริบูรณ์ทำปัญญาให้บริบูรณ์ไม่ได้คำนองนี้นะครับในจิ ต, ตวิกรมีเยอะนะครับจะพูดถึงเรื่องจิตใจเป็นส่วนใหญ่ผู้มีปัญญาย่อมทาจิตที่ดิ้นรนกวาดแกง รักษายากห้ามได้ยากให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการสำรวมอินทรีย์อุปการะธรรมของวิปัสสนาข้อที่หนึ่งคืออินทรียสังวรพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์เอาไว้โยนิจัดสะอารัตถาโหติอาสวานังขยายะเป็นต้น ทางแห่งความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ที่ปราบเรื่องนี้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมีพุทธศาสนาสุภาษิตที่น่าสนใจเช่นว่าอินดาริยานิมนุษย์สานัง ห, นหิตายะอหิตายะจัการัิตานิอหิตายะรักขิตานิฮิตายะจักอินทรีย์ของมนุษย์ในโลกนี้มีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ อินทรีย์ที่รักษาดีแล้วเป็นประโยชน์ที่รักษาไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ผมนึกถึงคำภีวิสุทธิมัคท่านเทียบเอาไว้ว่าเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เอาไว้หกชนิดมีสัตว์หกชนิดที่ติดตัวเราอยู่ถ้าเราไม่ฝึกมันมันก็เป็นอันตรายกับเราแต่ถ้าเราฝึกมันได้มันก็จะเป็นผู้รับใช้เราได้เช่นว่าจะเป็นมา้าเป็นช้างเป็นสุนัขเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ฝึกมันให้สำเร็จประโยชน์มันก็เป็นอันตรายกับเราเราก็เลี้ยงมันเสียแรงเสียอาหารเปล่าเปล่ า, ลาไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราฝึกได้แล้วดีแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกเหมือนอินทรีทั้งหที่ได้รับการฝึกดีแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่ฝึกก็มีโทษเยอะเที่ยวไปทาอะไรเดือดร้อนมาสู่ตนเองบิดามารดา 2. โภชเนมัตตันยุตา การรู้จักประมาณในการบริโภคนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตประจําวันของคนคือถ้ามีความตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าจะรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพูดกันอยู่บ่อยแต่ในภาคปฏิบัติต้องมีจิตใจเข้มแข็งใจไม่แข็งทําไม่ได้เพราะตั้งแต่เล็กจนโตกว่าจะมาศึกษาธรรม เราก็ถูกฝึกให้เป็นาธาตุของชิวหาประสาทคือในที่นี้เราคุยกันเฉพาะเรื่องชิวหามัตตัญยุตตาเราถูกตามใจปรนเปลอให้ตามใจตัวเองพอใจการกินการอยู่ตามที่ใจต้องการไม่ใช่ตามที่ร่างกายต้องการไม่ใช่เป็นการฝึกแต่เป็นการตามใจเพื่อให้ได้โภชนะที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเครื่องใช้ไม้สอยต้องดีที่สุด เมื่อเป็นอย่างนี้ก็โภชเนมัตันยุตาไม่ได้เพราะโภชเนมัตันยุตาคือต้องรู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมส่วนใหญ่เราติดคุณค่าเทียมความโก้ความหรูหราความอร่อยคุณค่าแท้คือมีประโยชน์กับร่างกายหรือเปล่าเราไม่ค่อยคิดกันผมแน่ใจว่าถ้าเราใช้ปัจจัยสี่ตามแนวของพุทธศาสนา คือดำเนินปฏิปทาในการใช้ปัจจัยสตามที่พระพุทธเจ้าสอนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆจะแก้ได้ด้วยป้องกันได้ด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่เราแก้กันไม่ตกเราขาดความสำรวมอินทรีย์และไม่โภชเนมตันยุตตาคือไม่ใช้ปัจจัยสี่ตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ พระพุทธเจ้าพระองค์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เพิ่มหรือโลดอิเลตทั้งในการบริโภคและการแสวงหาในการแสวงหามาบริโภคก็ต้องไม่มีอเนสนาต้องแสวงหาได้โดยชอบธรรมโดยสุดจริตถ้าเผื่อแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมไม่สุดจริตท่านถือว่าบริโภคนี่คือถ้าเป็นผู้ทุศีลไม่มีคุณธรรมพอ แล้วก็ไปรับอาหารของชาวบ้านเข้าพระนะครับก็ถือว่าเป็นการลักขโมยบริโภคและในการบริโภคนั้นถ้าไม่พิจารณาก็ถือว่าเป็นการบริโภคนี่สแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมว่ายิ่งเป็นนี่ใหญ่เท่ากับไปขโมยเข้ามาข้อที่สชาคาริยานุโยคประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ ชาคริยะแปลว่าตื่นอยู่อนุยโยก็แปลว่าประกอบคือประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่บางทีก็ชาครูท่านเปรียบสติเหมือนแขกยามคือตื่นอยู่เป็นส่วนมากหลับน้อยถ้าตามหลักของอปันนกาปฏิปทาในอปันนกาสูตรท่านให้นอนสี่ชั่วโมงในมัชิมยามสี่ทุ่มถึงตีสองกลางวันไม่นอน กลางคืนปฐมยามก็นั่งบ้างเดินจงกรมบ้างไปถึงปัจชิมยามก็จงกรมบ้างนั่งบ้างคนที่สุขภาพดีมีความเพียรดีก็ทําได้ผู้ที่มีความเพียรแบบนี้การเคลื่อนไหวทางกายจะน้อยใช้พลังงานน้อยฉะนั้นถึงจะนอนน้อยทานอาหารน้อยก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนคนที่ใช้พลังงานมากต้องนอนมากหน่อยทานมากหน่อย การปฏิบัติธรรมจะเดินช้าทำให้ใช้พลังงานไม่มากดูตามอธัธกถาของกสิพารัวาชาสูตรพระพุทธเจ้าบรรธมจริงๆเพียงชั่วโมงเดียวเพราะตลอดเวลากลางคืนหัวข้ามก็โอวัดภพิสุดึกยามกลางสี่ทุ่มถึงตีสองต่อปัญหาเทวดาที่ว่าอัทธรัตเตเดวะปันหนังต่อปัญหาเทวดาในมชิมยาม หลังจากนั้นหลังตีสองถึงหโมงเช้าแบ่งพุทธกิจเป็นสี่ส่วนคือทรงเดินจงกรมหนึ่งส่วนต่อมาเข้าพละสมาบัติคือเข้าเสวยรสของพระอริยผลมีได้เฉพาะพระอริยะเท่านั้นพอช่วงที่สมถึงได้บรรพงพอถึงหกโมงก็เข้ามาหาการุณาสมาบัติพิจารณาสัตว์โลกที่จะเสด็จไปโปรด ดูตามนี้แล้วพระพุทธเจ้าบรรทมชั่วโมงเดียวกลางวันก็ทรงบรรทมบ้างจับความจากมีผู้มาทักท้วงว่าสมณโคดมเป็นผู้ยังมีความเศร้าหมองอยู่เพราะนอนกลางวันพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวว่าผู้นอนกลางวันเป็นผู้เศร้าหมองแต่กล่าวว่าผู้ใดมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นผู้เศร้าหมองทำนองนี้นะครับ ก็คิดว่าถ้าว่างจากพุทธกิจก็อาจทรงพักผ่อนบ้างนี่ก็เป็นหลักของชาคาริยานุโยท่านจักคูบาลท่านอธิษฐานเนสศชิกลางท้าทุดงไม่นอนสามเดือนพอออกพรรษากิเลสก็แตกทำลายไปหมดตาท่านก็แตกไปด้วยพร้อมกับกิเลสหมอให้นอนหยอดตาท่านก็ไม่ยอมเดี๋ยวจะเสียทุดงทีนี้ถ้าถือตามอัถกถารรมบทก็อธิบายว่า ตาบอดไม่ใช่เพราะการทำความเพียนแต่เป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้เคยเป็นหมอตารักษาคนไข้พอหายแล้วคนไข้ต้องการจะเบี้ยวค่ารักษาอาจจะไม่มีเงินหรือเจตนาจะเบี้ยวก็แล้วแต่นะครับแต่หมอเล่นหนักประกอบยาขึ้นใหม่ให้หยอดตาบอดเลยผลของเจตนารุนแรงผลจึงรุนแรง ในทางความดีก็เหมือนกันถ้าเจตนาทำความดีด้วยเจตนารุนแรงมั่นคงความดีจะให้ผลมากและให้ผลเร็วแต่ถ้าเจตนาในการทำความดีอ่อนมันก็จะให้ผลอ่อนเหมือนกันสิ่งสำคัญคือเจตนาฉะนั้นเรื่องของพระจักบุบาล น, นี้จะให้ตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกก็ตอบยากผู้ตามสานวนของพระอริยะก็ว่าเป็นกรรมของวัต ในการประกอบความเพียรเพื่อเผากิเลสนอกจากการเดินจงกรมสำรวมระวังเรื่องอาหารก็ถือว่าอุกฤตเหมือนกันลองนึกถึงปฏิปทาสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือบุคคลบางพวกต้องเป็นทุกขาปฏิปทาทานทาพิน ญ, ญาด้วยคือปฏิบัายก็ลำบากรู้ก็ช้าบุคคลบางพวกเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิน ญ, ญา ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วบางพวกก็สุขาปฏิปทาท่านทาพินยาปฏิบัติสบายแต่รู้ได้ช้าบางพวกได้สองอย่างสุขาปฏิปทาขิปปาพินยาปฏิบัติได้สุขสบายและรู้ได้เร็วพวกที่มีกิเลสน้อยกิเลสเบาบางเป็นคนมีบุญมากพวกนี้ทำความเพียรไม่ต้องมาก ทำความเพียรเบาๆสำเร็จได้เร็วด้วยเพราะเขาได้สะสมมาเยอะแล้วยกพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะพระพาหิยะทารุจิริยะที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตาทักคาจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้เร็วพระพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนพาหิยะเธอจงเห็นสักแต่ว่าเห็นจงฟังสักแต่ว่าได้ฟังจงรู้สักแต่ว่าได้รู้ รู้ทางกลิ่นทางรสทางกายนี่นะครับใช้คำว่ามุเตมุตตมัดตังพวิสติดิเทดิธรมัดตังสุเตสุตมัดตังมุเตมุตตมัดตังเห็นสักแต่ว่าเห็นมุตะนี่รู้ทางจมูกลิ้นกายมุตะนี่รู้สามทางวิญญาเตวิญญาตามัดตังอันนี้รู้ทางใจ แปลว่ารู้เหมือนกันทั้งสองตัวทั้งมุตตะทั้งวิญญาตะแต่ขอบเขตต่างกันมุตตะรู้ทางอายตนะคือจมูกลิ้นกายวิญญาเตรู้ทางใจก็รวมเป็นหกนะครับด้วยประการชนนี้เธอก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นนี่คือที่สุดแห่งทุกเอเสวันโตดุขขสจัดไว้อย่างนี้นะครับ เพียงเท่านี้ท่านภายยะก็หลุดไปเลยเป็นพระอระหันต์แต่ถ้าตามอัธกถาที่ท่านเล่าเอาไว้พระพระยายยะได้บำเพ็ญความเพียรมาหลายหมื่นปีสมัยที่ชวนเพื่อนนักพรตปีนขึ้นภูเขาสูงแล้วผลักบันไดทิ้งกันเลยแปลว่าไม่ลงกันแล้วเอาชีวิตเข้าแลกเลยบำเพ็ญเพียรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรไป ท่านพายิยะก็เวียนไาวตายเกิดในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพายิยะส่วนท่านจักรคูบาลก็คงเข้าปฏิปทาข้อที่หนึ่งทุกขาปฏิปฏาทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากรู้ก็ยากรู้ก็ช้าเข้าลักษณะนั้นก็มีสีพวกอย่างนี้แล้วแต่บุญบารมีว่าบำเพ็ญเพียรมาอย่างไรเช่นถ้าเรากลับไปดูไวยากรณ์แล้วจะรู้ได้เร็ว คือเคยเรียนมาส0 4สี่ิปีแล้วหลังจากนั้นไม่เคยดูอีกเลยแต่ถ้ามีเวลากลับไปอ่านอีกทีจะรู้สึกเข้าใจคือมันได้อะไรอีกเยอะเพราะเหตุที่ว่าเคยเรียนมาแต่ถ้าคนที่เพิ่งจับครั้งแรกเลยจะมืดมากเลยแต่ความเพียรก็ต้องใช้แต่พอดีใช้สม่ำเสมอไม่มากเกินไป พระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนเชือกที่ว่ามันตึงเกินไปหรือสายพินที่ตึงเกินไปก็จะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็จะไม่ดังมีพระรูปหนึ่งคือพระโสนะโกลิวิสาท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดกลาดว่าโสนะโกริวิสาเมื่อก่อนนี้เคยเป็นคนดีดพินใช่ไหมใช่พระเจ้าค่า แล้วถ้าสายมันหย่อนจะเป็นยังไงดีดไม่ดังไม่เพราะถ้าสายมันตึงเกินไปมันจะเป็นยังไงมันจะขาดพระเจ้าค่ะนี่แหละเธอบำเพ็ญเพียรก็ให้เหมือนดีดพินคืออย่าให้มากเกินไปเราควรใช้ความเพียรให้สม่ำเสมอดีกว่าที่จะหักโหมโดยเฉพาะคนธรรมดาคนที่ใช้ความเพียรสม่ำเสมอจะทําได้มากกว่าคนที่ทํามากเช่น คนเรียนหนังสือมาหากโหมดูใกล้สอบพอถึงเวลาสอบสมองก็ล้าทำข้อสอบไม่ได้แต่คนที่ดูหนังสือมาตลอดพอใกล้สอบก็พักผ่อนบ้างร่างกายดีก็สอบได้ความเพียรสม่าเสมอก็คือวิริยารมพระที่เราแปล ก, กันว่าปรารบความเพียร น, นั่นเองดูเรื่องพระอานนท์กอดเข้าร่วมสังขยา เพียนมากโหมากในคืนนั้นก็ไม่บรรลุเพราะคลายลงจึงได้สําเร็จคือความพอดีดีเสมอนะครับทำความเพียนเพียนไปสม่าเสมอก็จะได้ผลมากในการทำงานก็เหมือนกันคนที่ทำหักโหมก็สู้คนที่ทําไปเรื่อยๆไม่ได้คนหักโหมก็จะทำใหญ่เลยพอหยุดก็จะหยุดนาน สู้คนที่ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ทำไม่หยุดจะได้ผลงานมากกว่าเยอะเลยอุปการะธรรมหมวดที่สองของการเจริญวิปัสนาคือความเพียรสติและสัมชัญญะอันนี้ไม่ได้เป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งเหมือนกับอบปันนกะปฏิปทานะครับแต่ว่าผมได้นำมาจากข้อความที่ตัดไว้ตอนเริ่มต้นในมหาสติปัฏฐานที่ว่า ผู้เจริญสติปัฏฐานนั้นต้องมีความเพียรอาตาปีสัมปชานโนสติมาอันนี้เป็นตัวบุคคลผู้ทำถ้าจะแปลงเป็นตัวธรรมะก็เป็นอาตาปะคือความเพียรเผาบาปอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของความเพียรเผาบาปแล้วก็เป็นสัมปชัญญะและสติแต่ในพุทธพจน์นั้นเป็นชื่อของบุคคลผู้ทำความเพียร มีสัมปชัญญะและมีสติเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นำออกเสียซึ่งอภิชาความโลภความอยากได้และโทมนัสความเสียใจนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการทำวิปัสสนาเหมือนตามสายของสติปัฏฐานซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นวิปัสสนาสัมปชัญญะคือปัญญาที่ใช้ในขณะนั้นนั้น สรุปว่าผู้ที่จะเจริญวิปัสนาให้ได้ผลดีจะต้องมีความเพียรเป็นไปติดต่อไม่ทำทำหยุดหยุดพร้อมกันนั้นก็ต้องฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเพื่อจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นนี่ก็เป็นชุดที่สองอุปการะธรรมของวิปัสนา เมื่อเสียงมากระทบหูสติกับสัมปชัญญะมาพร้อมกันทำนี้เวลาเรียนเราพูดแยกได้แต่เวลาปฏิบัติมันจะมาพร้อมกันแยกอธิบายได้แยกพูดได้เหมือนรถยนต์เราแยกพูดได้ว่านี่แบตเตอรี่นี่สายพานแต่เวลาสตาร์ทรถแล้วมันทำหน้าที่พร้อมกันแต่ทำคนละหน้าที่หัวใจของวิปัสสนา ถือตามพัฒเกรตะสูตรอดีตังนานนวาเขมยะยาคำนึงถึงอดีตยาหวังอนาคตอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วอารมณ์ที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงผู้ใดพิจารณาให้เห็นแล้วในปัจจุบันธรรมคืออารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันในขณะนั้นเห็นตลอดปัจจุบันธรรมนั้นไม่ไหวหวั่นไม่ให้กำเริบ พอกพูนความเห็นอันถูกต้องให้มากขึ้นทำนองนี้ก็จะเป็นผู้มีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็เป็นผู้เจริญทำไมไม่ให้คิดถึงอดีตเช่นคนที่เรียนประวัติศาสตร์ก็เรียนอดีตทั้งนั้นทำไมไม่ให้วางแผนเพื่ออนาคตแต่ขอให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ในฐานะเป็นหัวใจของวิปัสสนากรรมาฐาน ร้อวิปัสสนากรรมฐานตามมหาสติปัฐานด้วยตามพัฒเกรตะตสูตด้วยให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันบัดนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เท่านั้นให้เพ่งพินิจปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ให้เอาเรื่องอดีตอนาคตมาเป็นอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องของผู้เจริญวิปัสสนาโดยตรงเลย ถ้าเกี่ยวกับเรื่องวางแผนอนาคตเกี่ยวกับเรื่องระ ล, ลึกถึงอดีตมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาก็ต้องอยู่กับปัจจุบันเป็นหัวใจเลยและพูดถึงชีวิตประจำวันก็ยังใช้ประโยชน์ได้มากเพราะสิ่งที่เราจะทำได้จริงๆก็สิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นอนาคตเราทำไม่ได้ หรือหมกมุ่นกับเรื่องอดีตเก็บมาเป็นอารมณ์ก็ทำให้ปัจจุบันเสียไปหรือไปฟุ้งซ่านกับอนาคตปัจจุบันก็เสียไปอีกพระพุทธเจ้าเน้นเลยว่าปัจจุบันนันจะโยธ ร, ร ม, มังตัฏฐตัฏฐวิปัสสติทาปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตมันดีเองถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็จะดีอนาคตก็จะดี ต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของการทำจิตให้ผ่องแผ้วนะคะคือเรื่องยาน16ยาน16เวลาปฏิบัติก็จะมีการสอบยานวิปัสสนาญาณ9ก้าก็มีและญาณ16ก็มีก็รวมกันอยู่ผู้เจริญวิปัสสนาจะได้ผ่านหรือประสบกับญาณต่างๆดั ง, งนี้ญาณที่หนึ่งนามรูปะปริเฉทยาน แปลว่ายานที่กาหนดรู้นา ม, มารูปนามและรูปคือในการเจริญวิปัสสนาจะต้องกําหนดรู้รูปนามว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามถ้ายกขันห้าขึ้นมาเป็นตัวตั้งนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปร่างกายแต่คําว่ารูปมีความหมายกว้างขวางมาก ง่ายๆสั้นๆพอเข้าใจก็คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าสสารพลังงานทางพุทธศาสนาจัดเข้าเป็นรูปทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นในการเดินจงกรมการเคลื่อนไหวมือและเท้าเป็นรูปส่วนจิตที่สั่งให้มือเท้าเคลื่อนไหวเป็นนามตาเป็นรูปหูเป็นรูปภาพที่ปรากฏแก่ตา เสียงที่มากระทบหูเป็นรูปทั้งนั้นแต่จากขวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูเป็นนามการกําหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงรูปกับนามเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นต้นนั้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติไม่ใช่ปรมัตถสัจจะความรู้อย่างนี้เรียกว่า นามรูปะปริเฉทยานสมมติว่าเราได้ยินเสียงเพลงโสดประสาทนั้นเป็นรูปโซดประสาทรับเสียงเข้ามาสัมผัสกันนี่เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปโสตวิญญาณคือความรู้ทางเสียงอันนี้เป็นนามกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอันนี้ก็เพื่อให้ละอัตตะสัญญา เพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่ายถาภูตยานัศสนะให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะละความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลละลายตัวตนออกไปเหลือแต่รูปกับนามอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อสัมภาระต่างๆประกอบพร้อมกันเข้าเสียงที่เรียกว่ารถก็มีขึ้นเมื่อขันห้ามีอยู่ ก็สมมุติเรียกว่าสัตว่าบุคคลที่จริงสัตว์บุคคลไม่มีแต่ว่าเมื่อขันห้ามีอยู่ก็สมมุติเรียกว่าสัตว่าบุคคลเมื่อวชิราภิกษุณีได้กล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับอันนี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ จัดเข้าในวิสุทธิเจตว่าเพื่อละอัตตะสัญญาไม่ให้เห็นเป็นตัวตนอย่างท่านอุปมานามารูปเอาไว้ท่านก็อุปมาไว้ดีว่านามารูปเปรียบเหมือนหุน่นต้องมีคนชักลำพังแต่หุ่นเองมันเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องมีคนชักหรือเป็นของว่างเปล่าไร้ชีวิตประกอบด้วยไม้และมีสายชักรวมทั้งมีคนชักด้วย หุ่นกระบอกจึงดูเคลื่อนไหวมีท่าทางนำมารูปก็ทำนองนั้นคือว่าปรากฏเป็นภาพยืนบ้างเดินบ้างก็เพราะอาศัยการคุมกันเข้าของปัจจัยต่างๆ